ตอนอธิบายทุกจรทุกจรหรือปกินอากะทุกหมายถึงทุกปิตะเล็ดบางทีท่านเรียกว่าอาคันตุ ก, กะทุกคือเป็นทุกประเภทจอนมาจากที่อื่นคนที่อยู่ในบ้านด้วยกันเป็นคนในครอบครัวจริงๆเรากำหนดตัวไว้ว่ามีกี่คนและชื่ออะไรบ้าง เพราะเป็นพวกอยู่ประจําส่วนพวกอาคันตุกะคือแขกที่มาจากภายนอกเรากาหนดไม่ได้ว่าเราปลูกบ้านอยู่ตรงนี้แล้วต่อไปภายหน้าจะมีคนมาติดต่อเยี่ยมเยียนสักกี่คนชื่ออะไรบ้างหน้าตาเป็นอย่างไรรู้ไม่ได้แม้จะรู้บ้างก็เพียงแต่คาดคะเนเรื่องทุกข์ก็คล้ายๆกัน จำพวกทุกประจํากำหนดลงตายตัวได้ว่าได้แก่อะไรบ้างส่วนทุกพวกอาคันตุ ก, กะนับไม่ได้ว่าจะโดนอะไรเข้าบ้างจะทุกกี่ครั้งกี่หนทุกขนาดหนักหรือขนาดเบาเท่าไหร่บอกกันไม่ได้ในธรรมจักกระเปวัตนะสูตรพระพุทธองค์ทรงแสดงคนละนคือตอนแรกแสดงทุกประจํา ส่งแสดงเรื่องที่ทําให้ทุกข์คือความเกิดความแก่ความตายเกิดแก่ตายสามอย่างนี้เป็นตัวเรื่องที่ทําให้ทุกข์ส่วนอาการที่ว่าทุก์อย่างไรไม่ปรากฏในพระสูตรนั้นแต่ครั้นถึงตอนแสดงทุกจรไม่ได้ส่งแสดงตัวเรื่องว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้ทุกข์แต่ทรงแสดงอาการที่ความทุกข์สาแดงแล้ว ว่ามันมีอาการอย่างไรบ้างอาการทุกจรทรงแสดงไว้มีดังนี้โศกะคืออาการเศร้าเสียใจปริเทวะคืออาการรำพันเพ้อร่ำไรทุกขะคืออาการไม่สบายตัวปวดเมื่อยโทนมานัสสะคืออาการหน้อยใจแขนใจ อุปายาสะคืออาการตรองใจแห้งใจสัมประโยคน์คืออาการได้พบสิ่งที่เกลียดวิประโยคน์คืออาการต้องพรากรักตัดใจอลาพักคืออาการต้องพลาดหวังเกอป์รสังเกตดูว่าพระดำรัสเหล่านี้แสดงอาการว่า เมื่อมีทุกเกิดขึ้นแล้วจะมีอาการอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ทรงแสดงว่าจะเกิดจากเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนตอนทรงแสดงทุกประจําน่าจะเข้าใจว่าทุกจอ น, นั้นย่อมมีแปลกๆซับส่อนตัวอย่างไม่ควรแก่การกําหนดลงตายตัวเหมือนพอปลูกบ้านเสร็จจะรู้ได้อย่างไร แขกเรือที่จะไปมาหาสู่จนกว่าบ้านหลังนี้จะพังจะมีใครบ้างอย่างที่ว่ามาแล้วการพิจารณาพุทธวจนะเหล่านี้ถ้าไม่ผมเชื่อมั่นในพระปัญญาและพระอัทยาศัยอันซื่อตรงของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งยวดพระองค์ทั้งฉลาดทั้งซื่อตรงน่าเคารพ บ, บูชาจริงๆถ้าเป็นคนอื่น มีตั้งหน้าตั้งตานับกันเป็นคุ้งเป็นแควเพื่อให้สานุสิทธิ์อัศจรรย์ในความเก่งกล้าไปแล้วหรืออาการทุกจรทั้งแปดอย่างนั้นบางอย่างใกล้เคียงกันมากผิดกันอยู่ในความรู้สึกทางจิตใจเมื่อถูกกระทบเข้าเนื่องจากเหตุที่ทำให้เกิดทุกนั้นต่างกันดังตัวอย่างต่อไปนี้เหตุให้เกิดโศก เช่นคิดถึงกรุงศรีอยุธยาที่พังพินาศเห็นไฟไหม้ตลาดปราจีนราบเรียบเห็นรถคว่ำคนตายระเนีรนาคและอื่นๆเหตุให้เกิดปริเทวะเช่นนึกถึงสิ่งที่สูญเสียล่มจมไปแล้วเมื่อก่อนเคยมั่งมีแล้วมาตกยากและอื่นๆอีก เหตุให้เกิดทุกข์เช่นเป็นไข้ปวดเมื่อยถูกจองจำลำบากตัวถูกทุบตีบอบช้ำและอื่นๆอีกเหตุให้เกิดโทมนัสส์เช่นทำงานเกือบตายเงินเดือนไม่ขึ้นเสียแรงรักเสียแรงเอาใจรับมั่นคนอื่นได้ปรณิบัติตัวเป็นเกลียว ไม่เห็นได้มะระดกและอื่นๆืนอีกเหตุเกิดอุปายาสะเช่นความมัวยังไม่หายความควายเข้ามาแทรกรู้สึกไร้ญาติขาดที่พึ่งจริงๆเห็นว่าโลกนี้ช่างร้ายเหลือและอื่นๆืนอีกเหตุเกิดสัมพโยคะเช่นบังเอิญไปได้สิ่งที่ไม่อยากได้ ยิ่งเกลียดกี้หน้ายิ่งมาเจอถูกบังคับให้แต่งงานกับคนที่เกลียดและอื่นอื่นอีกเหตุเกิดวิปรโยคเช่นถูกพระรากเอาคนรักไปเสียจำเป็นจำ ร, รากจากที่รักที่ชอบลูกตายเสียเมียตายจากและอื่นๆือีกเหตุเกิดลาภเช่น อยากสอบได้แต่มันไม่ได้อยากให้เงินเดือนขึ้นก็ไม่ขึ้นอยากได้แหวนเพชรเม็ดโตโตแต่ไม่ได้และอื่นๆอีกที่ขยายเรื่องออกมานี้เพื่อแสดงตัวอย่างของเหตุที่มากระทบแล้วทำให้เกิดความทุกข์นั้นๆแม้ขยายออกแล้วบางอย่างก็ยังรู้สึกว่าพัวพันกันอยู่เช่น เรื่องของโสกะปริเทวะโทมณัสสะอุปายาาัสะเกือบจะฉีกจากการไม่ออกทีเดียวมันเป็นเรื่องอาการทางจิตใจจะเอาให้เห็นความแตกต่างกันชัดๆเหมือนอาการทางร่างกายไม่ได้แม้แต่อาการทางร่างกายเห็นอยู่กับตาแท้ๆยังผิดเพี้ยนไปได้จะป่วยการกล่าวไปใหญ่ถึงเรื่องของจิต ที่จะหยิบออกมาช่างมาตวงหรือแต่ต้องรูปคลาไม่ได้ตอนเงงาทุกจอความจริงที่แสดงมานั้นยังไม่ถึงรากเหง้าของทุกแท้ถ้าจะขุดตามเข้าไปดูกันจริงๆทุกเหล่านี้มีอยู่สองเง้าคือปิยะความรักกับอบปิยะความเกลียดชังเท่านั้น เพราะรักจึงได้มีโสกะปริเทวะโทมนัสสะอุปายาสะวิปโยคะและอลาภะเพราะเกลียดจึงได้มีทุกขะกับสัมปโยคะมีเงาทุกสองเงาทีนี้ลองแซะตามไปอีกดูรากแก้วของมันจริงๆมีอย่างเดียวเท่านั้นคือปิยะความรัก เพราะรักตัวเดียวจึงน้อยใจจึงเสียใจไม่อยากพลัดพรากแม้ทุกอีกสองอย่างที่ว่าเกลียดจากความเกลียดนั้นถ้าดูกันให้ซึ้งแล้วก็จะเห็นว่ามันมาจากความรักเหมือนกันเพราะรักตัวนั่นแหละจึงไม่อยากลำบากคือทุกข์เพราะรักตัวนั่นแหละจึงไม่อยากพบเห็นคนที่เกลียดและสิ่งที่เกลียด ตกลงว่าความทุกจรทั้งแปดอาการนั้นเกิดจากความรักทั้งสิน้นดังในแห่งพระพุทธวจนะว่าปิยโตชายเตโซโกโความโศเกิดจากความรักความรักนั่นแหละคือเชื้อทุกขรักมากทุกมากรักน้อยทุกน้อยไม่รักเลยก็ไม่ทุกเลยหนังสือพิมพ์ลงข่าวโครมโครมว่า น้ำท่วมเมืองจีนคนตายตั้งพันใจเราเฉยเฉยอ่านจบก็ทราบแล้วเท่านั้นเองไม่เห็นมีทุกสักนิดแต่พอได้ข่าวว่าทหารไทยที่ไปช่วยรบในเกาหลีตายหนึ่งร้อยคนใจเราหายว่าทุกข์กว่าเขาตายตั้งพันยิ่งถ้าคนที่ตายเป็นเพื่อนรักหรือเป็นญาติสนิทแม้แต่คนเดียว ใจเราก็ทุกกว่าคนอื่นตายตั้งร้อยที่เป็นดังนี้แล้วแต่น้ำหนักของความรักพระพุทธองค์จึงตรัสต่อไปว่าติยโตวิปมุตตัสะัะนัตถิโซโกโกุโตพยังผลจากความรักเสียได้แล้วความเศร้าโศกและภัยจะมีมาแต่ไหนตอน ทุกจอมีไม่เท่ากันทุกประจําก็ดีทุกจอก็ดีถ้าใครโดนเข้าแล้วก็ทุกเหมือนกันคือไม่สบายตัวไม่สบายใจเหมือนกันแต่ทุกสองประเภทนี้ต่างกันตรงที่ว่าทุกประจําเป็นของมีประจํากันอยู่ทุกคนและมีเท่ากันตามที่ได้อธิบายมาในเรื่องทุกประจํานั้นแล้วส่วนทุกจอนคนเรามีไม่เท่ากัน บางคนมากบางคนน้อยแล้วแต่ใครจะมีเหตุให้เกิดทุกข์มากหรือน้อยคนไม่มีเมียเลยก็ไม่ต้องทุกข์เพราะเกิดขัดใจกับเมียถ้ามีหลายคนก็ต้องทุกข์เพราะเรื่องนี้มากขึ้นคนไม่มีลูกก็ไม่ต้องทุกข์เพราะลูกเป็นคนดื้อด้านต้องปากเปียกปากแฉะคนที่เกิดมาในกองเงินกองทองไม่ต้องทุกข์เพราะยืมสตังค์คนอื่นใช้ ทานหมดข้าวสารหมดไม่เคยรู้จักทุกจรคนเรามีไม่เท่ากันดังกล่าวนี้จึงอาจพูดได้ว่าทุกประเภทนี้เป็นทุกต่างคนต่างมีทุกบางอย่างเอาไปเล่าให้คนบางคนฟังเขาก็ไม่รู้ว่ามันทุกอย่างไรเพราะเขาไม่เคยประสบเองมีเรื่องเล่าว่า ขณะที่ท่านมหาเศรษฐีผู้ซึ่งรับมรดกมหาศาลตกทอดมาหลายชั่วคนกำลังนั่งหย่อนอารมณ์อยู่ในบ้านของท่านมียาจกคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแล้วยกมือไหว้พร้อมกับสาทะใหญ่ว่าท่านขอรับกระผมหิวเหลือเกินขอกรุณาให้อาหารกระผมรับประทานสักมื้อเถอะหิวจะตายแล้วหิว หิวมันเป็นยังไงคุณท่านเศรษฐีถามเพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่รู้จักหิวหิวมันทุกข์มากครับอย่าจกฉันยังไม่เข้าใจเหมือนกับทำงานเหนื่อยมากๆนั่นแหละครับฉันไม่รู้ว่าเหนื่อยมันเป็นยังไงมันก็เหมือนกับปวดฟันนั่นแหละท่านอ้อหรือ ถ้าฉชนนั้นคุณจะต้องการอาหารกี่มากน้อยเธอเลือกเอาตามใจแล้วก็ไม่ควรช้าด้วยเศรษฐีนี่แหละทุกจรบางอย่างบางคนเขาไม่รู้ไม่รู้จริงๆเพราะไม่เคยเจออยากจะอธิบายทุกคือความหิวให้เศรษฐีเข้าใจก็ต้องเอาไปเปรียบกับทุกที่มีด้วยกัน พอบอกว่าหิวเหมือนกับปวดฟันท่านเศรษฐีก็สะดุ้งเพราะเคยโดนมาแล้ว